มาศึกษาหาความรู้ที่จะสอนให้พวกเรารู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงพวกเราทุกคนเกิดมาต้องการความสุขกันแต่สิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขกับพวกเรามักจะให้ความทุกข์กับพวกเราเสมอ นั้นเป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นความสุขเป็นเพียงแต่ความคิดของเราที่ไปคิดว่าเขาเป็นความสุขแต่ความจริงแล้วเขาเป็นความทุกข์ที่มีความสุขบางๆหุ้มหออ่อหุ้มห่ออยู่เท่านั้นเองต้องไม่มีคนฉลาด อย่างพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราให้รู้เรื่องของความสุขที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนเกิดจากการกระทำอย่างไรความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าทรงหาและทรงนามาสอนพวกเราเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นความสุขล้วนๆไม่ใช่เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์เอาไว้เหมือนน้ำตาลเคลือบยาขมความสุขที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทำกันหรือหากันหรือมีกันก็คือบุญนี้เองบุญนี้แหละเป็นความสุข ที่ไม่มีโทษไม่มีความทุกข์เป็นเหมือนกับอาหารที่จะมีแต่ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายต่างจากยาเสพติดที่เสพแล้วจะทำให้เกิดโทษกับร่างกายและจิตใจ <mm> <miyor> เวลาที่ไม่ได้เสพจิตใจจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจส่วนอาหารนี <mm> ้ เวลารับประทานแล้วจะทำให้เกิดความอิ่มทั้งทางร่างกายและจิตใจมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษบุญก็เป็นอย่างนั้นบุญทำแล้วจะมีแต่ความสุขใจจะไม่มีความทุกข์ใจตามมาทำให้มีความอิ่มความพอ ไม่ได้มีความหิวความอยากเพิ่มมากขึ้นบุญความสุขที่พวกเราหรือคนทางโลกหากันเป็นความสุขที่ทำให้หิวให้อยากเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆพอทำแล้วพอได้มาแล้วก็อยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกพอไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจ หรือสิ่งที่ได้มาที่ให้ความสุขพอเขาจากไปหมดไปก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่บุญนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นทำบุญแล้วผ่านไปแล้วถึงแม้เราจะคิดถึงบุญที่เราเคยทำมาในอดีตความรู้สึกสุขใจอิ่มใจ ก็ยังปรากฏขึ้นมาไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆเวลาที่เขาจากเราไปทุกครั้งที่เราคิดถึงเขากับมีแต่ความเศร้าใจมีแต่ความเสียใจความสุขที่ทำให้เกิดความทุกข์หรือเกิดโทษ ก็คือความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิจรสต่างๆนี่เองที่เวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขแต่เวลาหมดไปก็ทำให้เศร้าใจเสียใจต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆหามาแล้วก็ไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีก พอไม่ได้ก็เสียใจอีกนี่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขเป็นวิธีหาความทุกข์เสียมากกว่ามาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หากันดีกว่าความสุขก็อันดับแรกที่พวกเราควรที่จะหากันก็คือความสุขที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เอง เวลาเราฟังเทศฟังธรรมใจของเราจะมีความสุขจะมีความสงบเราจากมีความสุขความสงบที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมแล้วเรายังจะได้ความรู้เพิ่มเติมเราจะได้รู้วิธีสร้างความถูกสร้างความสุขชนิดต่างๆาที่ไม่มีโทษ ที่เราทุกคนสามารถทำได้สร้างได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำด้วยกายวาจาใจของเราเองมีอย่างเดียวที่ต้องใช้เงินทองคือบุญที่เกิดจากการทำทานจากการให้ อันนี้ก็สำหรับผู้ที่มีเงินทองผู้ที่ใช้เงินทองไปซื้อความสุขที่เป็นโทษความสุขที่เป็นยาเสพติดคือความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดูไปฟังไปดื่มไปรับประทานอะไรตามความอยากต่างๆถ้าใช้เงินทองแบบนี้แล้วจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เวลาเงินทองไม่พอใช้ให้เอาเอาเงินทองที่ใช้กับการซื้อความสุขของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอามาทำทานจะได้ประโยชน์มากกว่าและจะไม่มีโทษตามมาเวลาทำบุญทำทานด้วยเงินทองทำแล้วจะมีความสุขใจอิ่มใจ ถ้าไม่มีเงินทองจะทำออีกก็ไม่เดือดร้อนบุญไม่ได้ทำให้เราติดเหมือนกับการใช้เงินไปกับการซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพอันนี้เป็นบุญชนิดเดียวที่ต้องใช้เงินทองนอกนั้ น, นี้ไม่ต้องใช้เงินทองก็สามารถสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นมาได้ เช่นการฟังธรรมนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินทองใช้กายวาจาใจที่สงบเท่านั้นเวลากายวาจาใจสงบ ก, การฟังธรรมจะได้เต็มร้อยเพราะว่าได้ทุ่มเทให้กับการฟังธรรมเพียงอย่างเดียวถ้าฟังธรรมด้วยแล้วก็ทําอะไรไปด้วย การฟังทำจะไม่ได้เต็มร้อยเพราะจะต้องแบ่งไปกับงานที่กําลังทําอยู่ดังนั้นถ้าอยากจะฟังทำให้ได้ประโยชน์เต็มร้อยก่อจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแล้วจะได้ฟังอย่างต่อเนื่องแล้วจะได้เกิดความเข้าใจขึ้นมา เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าวิธีสร้างบุญจากวิธีสร้างความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นการสร้างความทุกข์เพราะจะมีความทุกข์ตามมาสูวเอาวิธีที่ไม่มีความทุกข์ตามมาดีกว่าคือด้วยการทำบุญ ชนิดต่างๆบุญชนิดแรกนี้ที่เร า, เราทำได้กันทุกคนก็คือการฟังธรรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะฟังแล้วจะทำให้ใจมีความสุขความสงบทำแล้วจะทำให้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมารู้วิธีทาบุญต่างๆรู้วิธีดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้เรื่องต้นควรจะขยันฟังเทศน์ฟังธรรมขยันศึกษาอ่านหนังสือธรรมะกันดีกว่าไปดูหนังดูละครไปดูกีฬาหรือไปทำอะไรต่างๆที่อาจจะเป็นความสุขแบบประเดียวประดา แต่พอผ่านไปก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ภายในใจเลยแต่การมาฟังเทศฟังธรรมนี้จะทําให้เราฉลาดขึ้นจะทําให้เรารู้อะไรมากขึ้นรู้สิ่งที่จะมาให้ประโยชน์กับเราให้ความสุขกับเราและรู้จากวิธีกําจัดสิ่งที่มาให้ความทุกข์ให้ ให้เกิดปัญหากับเราอันนี้คือสิ่งแรกบุญบุญชนิดแรกที่เราควรจะทำกันอยู่เรื่อยๆคือฟังเทศฟังธรรมดังในมงคลสูตรพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลก็กคือ เป็นความสุขความเจริญต่อจิตใจจิตใจของพวกเรานี้เป็นสิ่งที่เจริญได้และเสื่อมได้การเจริญและเสื่อมของจิตใจของพวกเราก็เกิดจากการกระทําของพวกเรานั้นเองการกระทําที่ทําให้จิตใจเราเสื่อมคืออะไรก็คือการกระทําบาปนั่นเอง การกระทำบาปการเสพอบายามุขอันนี้เป็นการกระทำที่จะทําให้จิตใจเราเสื่อมทําให้จิตใจเรามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นถ้าเราละเว้นการกระทําบาปได้ละเว้นการเสพอบายามุขได้เราก็จะป้องกันความเสื่อมของจิตใจได้ป้องกันความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจได้ วิธีที่จะป้องกันไม่ให้จิตใจเสื่อมก็คือการรักษาศีลเนี่เองรักษาศีลห้าและละเว้นการเสพบอบายามุกต่างๆถ้าเราไม่ทำบาปรักษาศีลห้าได้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมา ไม่เล่นการพ น, นันไม่เที่ยวเตะไม่เกียดคร้านไม่คบคนชอบอบายามุขเป็นมิตรเราก็จะป้องกันการเสื่อมของจิตใจของพวกเราได้และป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้ความเสื่อมของจิตใจนี้เป็นอย่างไรจิตใจนี้มีระดับเป็นเหมือนกับ อาคารอาคารนี้จะมีระดับแบ่งเป็นชั้นๆ ช, ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม <Yeah. S 1> จิตใจของเราก็มีระดับที่ขึ้นหรือลงตามการกระทําของเราถ้าเราทาํบาบาปเสบบบายมุก <Yeah. S 1> จิตใจเราจะลงต่ําขั้นต่ํากว่าของมนุษย์ที่เราเป็นอยู่ขณะนี้ yeah. มนุษย์นี้ถือว่าอยู่ในระดับ กลางอยู่ระหว่างระดับที่สูงกับระดับที่ต่ําพอทําบาปก็จะทําให้จิตใจเราลงต่ำและจะทําให้จิตใจมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ระดับที่ต่ํากว่าจิตใจก็มีอยู่4ี่ระดับเรียกว่าหนึ่งเดลฉานสองเปรตสอสุรกาย และสี่นรกนี่คือที่จะที่ไปของผู้ที่จะกระทำบาปจิตใจจะเสื่อมเสื่อมตั้งแต่เริ่มทําบาปเลย <c oughs> ไม่ได้เสื่อมตอนที่ตายไปแล้วค่อยเสื่อมเสื่อมตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พอเริ่มทําบาป จิตก็จะค่อยเสื่อมลงไปทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เสื่อมแบบร้อยเปอร์เซนทำบาปครั้งหนึ่งก็เสื่อมไปหนึ่งเปอร์เซ็นตทำบาปสองครั้งก็เพิ่มไปเรื่อยๆจิตใจก็จะเสื่อมทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายยังเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจ น, นี้ไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วจิตใจเริ่มกลายเป็น เดชะฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นอยู่กับเหตุผลในการกระทําบาปถ้ากระทําบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดชะฉานถ้าทําบาปด้วยความโลภก็จะเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุลกาย ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่ทำบาปด้วยเหตุผลต่างๆมีอยู่สี่ที่เรียกว่าอบายเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายจิตใจกับร่างกายนี้เป็นเหมือนคนสองคนการกระทําของจิตใจนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนการกระทําของ ไม่ได้เปลี่ยนความเป็นไปของร่างกายเนี่ยตอนนี้เราทำบาปเราร่างกายเราก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่ใจของเราไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วใจของเราเริ่มเสื่อมลงไปเป็นเดลฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างแล้วเวลาร่างกายตายไปนั้นแหละใจของเราก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณขึ้นมา ดวงวิญญาณที่ไปหาร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหยหรือมีแต่ความหวาดกลัวหรือมีแต่ความอาฆาตพยาบาทนี่คือขั้นต่างๆของจิตใจที่จะเสื่อมลงที่จะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นสาเหตุที่เกิดจากการกระทำบาปต่างๆนั่นเอง ถ้าเรารู้ว่าการทำบาปการเสบอบายามุกจะพาให้จิตใจเราทุกข์จะทำให้จิตใจเราเสื่อมเราก็ละเว้นเสียเท่านั้นเองละเว้นด้วยการรักษาศีลละเว้นด้วยการไม่เสบอบายามุกเราก็จะปลอดภัยจิตใจของเราก็จะไม่ตกต่ำจิตใจของเราก็จะอยู่ในระดับของมนุษย์ แล้วถ้าเราอยากจะให้จิตใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราก็สามารถยกระดับของจิตใจให้ให้สูงขึ้นได้ให้มีความสุขมากขึ้นได้ด้วยการกระทำเหตุที่จะทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นและสูงขึ้นนั่นเองเหตุก็เหตุก็คือการทาบุญเช่นการทำทาน ถ้าเรามีเงินทองที่เราเอาไปใช้ในทางที่ผิดเช่นเอาไปเสพอบายามุกเนี่ยพอเราละเว้นจากการเสพ บ, บายามุกเราก็จะมีเงินทองเหลือเหลือเฟือแล้วถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นเราก็เอาเงินทองที่เราเอาไปใช้เสพ บ, บายามุกนี้มาทำฐาน เอามาช่วยเหลือผู้อื่นทาทานนี้ทากับใครได้ผลเหมือนกันได้ความสุขใจเหมือนกันได้การยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องทากับพระทากับวัดเท่านั้นทำกับคนทุกคนได้ยกระดับได้เพิ่มความสุขให้กับจิตใจเหมือนกัน จะทํากับบุคคลที่มีพระคุณกับเราก่อนเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผูท่าเขาทุกข์ยากเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือถ้าเรามีเงินทองที่เราสามารถที่จะใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ เราก็ควรทำกับบุคคลเหล่านี้ก่อนทาแล้วจะทำให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นทำให้จิตใจเราสูงขึ้นถ้าบุคคลที่เรามีพระคุณกับเราท่านไม่เดือดร้อนท่านอยู่สุขอยู่สบายเราก็ไปทำกับผู้ที่เขาขาดแคลนผู้ที่ควรเราจะกระทำก่อนก็คือไปทำที่วัดก่อน เพราะเราเป็นชาวพุทธเราต้องสนับสนุนวัดวาอารามศ า, าสนาสนับสนุนศาสนาให้อยู่กับโลกนี้ไปนานๆนั่นเองการสนับสนุนศาสนาก็จะทำให้ผู้ที่มาบวชมาศึกษามาปฏิบัติธรรมมาบรรุุธรรมคือพระภิกษุสามเณร มันจะได้ทําหน้าที่ของตนได้อย่างพร้อมบริบูรณ์เพราะว่าศาสนานี้จะอยู่ไปได้นานไม่นานก็อยู่ผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติมาบรรลุธรรมนี้เองท่านเหล่านี้ท่านไม่มีอาชีพไม่มีรายได้มันจึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราที่จะต้องทานุบำรุงให้แก่นัก บ, บวชในศาสนาพุทธ คือพระภิกษุสา ม, มเณรด้วยปัจจัยสี่โดยอาหารบิณฑบาตด้วยจีวรเครื่องนุ่งห่มด้วยกุฏิที่อยู่อาศัยด้วยยารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำในดำดับต่อไปหลังจากที่เราดูแลบุคคลที่มีพระคุณกับเราแล้ว ให้ทำบุญกับพระในบ้านก่อนก่อนที่จะออกไปทำกับพระนอกบ้านให้คิดถึงพระในบ้านก่อนพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหมือนพระอาหารหันต์ของลูกๆมีพระคุณอย่างมากต่อลูกๆถึงแม้บางครั้งบางคราวอาจจะทำอะไรให้ลูกๆไม่พอใจเช่นคอยว่ากล่าวตักเตือนาำนิติเตียน ก็ไม่ควรจะถือโทษโกรธเคืองเพราะว่าท่านรักเราท่านเป็นห่วงเป็นยายเราเมื่อเห็นเราทำอะไรที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเราได้ที่เรามองไม่เห็นท่านก็อาจจะช่วยเตือนเราท่านก็เป็นเหมือนกระจกเงาที่เราใช้ดูหน้าเราเวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัว ก่อนที่เราจะออกนอกบ้านนี้เราต้องส่องกระจกดูตัวเราก่อนว่าเรียบร้อยหรือไม่เนี่อันนี้ก็เหมือนกันการว่ากล่าวตำหนิติเตียนของพ่อของแม่นี่ก็เป็นเหมือนกระจกส่องเงาบอกให้เรารู้ว่าเราไม่เรียบร้อยแต่งตัวไม่เรียบร้อยหน้าตายังเปะเปื่อนอยู่ควรจะเช็ดควรจะล้างให้สะอาดเอ อย่าไปถือโทษกดเคืองผู้มีพระคุณคือบิดามารดาเพราะท่านไม่มีความปรารถนาร้ายตากับเราเลยมีแต่ความปรารถนาดีซึ่งบางครั้งท่านอาจจะพูดมากไปหน่อยพูดซ้ำซาก จ, จําเจจนทําให้เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาวิธีที่จะแก้ความเบื่อหน่ายหรือวิธีความไม่พอใจเวลาที่ได้ยิน ได้ฟังคำว่ากล่าวตักเตือนของพ่อของแม่ก็ให้คิดถึงว่าท่านเป็นเหมือนกระจกก็แล้วกันกระจกเงายิ่งดูบ่อยเท่าไหร่จะได้ยิ่งเห็นชัดขึ้นดูนานๆดูบ่อยๆจะได้เห็นว่าเราบกพร่องตรงไหนอันนีอ้อีกวิธีหนึ่งก็ให้เราคิดถึงพระคุณของท่านที่ท่านเลี้ยงดูเรามาอย่างยากลำบาก อดหลับอดนอนอดกินอดดื่มเพื่อเรามามากมายกายกองเพื่อให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายให้เราจเจริญเติบโตขึ้นมาส่งเสียเราให้ไปเรียนหนังสือให้มีวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มาทามาหากินเลี้ยงตัวเองได้อย่างสุขอย่างสบายถ้าเรามันคิดถึงพระคุณของท่านอยู่เรื่อยๆแล้ว เราจะไม่โกรธท่านจะไม่รู้สึกลำคาญจะรู้สึกรักชอบดีใจที่ท่านยังห่วงใยเราอยู่ยังคิดถึงเราอยู่แต่นี่คือทำไมบางคนจึงไม่ค่อยอยากจะดูแลพ่อแม่ก็เพราะว่าพ่อแม่ก็รักเรามากห่วงเรามากก็อาจจะพูดอะไรบ่อยหรือพูดอะไรมาก จนทำให้เราลาคาญได้แต่เราสามารถแก้วความลาคาญนี้ได้ด้วยการให้คิดถึงพระคุณของท่านว่าท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องท่านต้องการให้เรามีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่เคยมีความคิดที่อยากจะให้เราทุกขเดือดร้อนเลยสิ่งที่ท่านพูดเพราะท่านเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเราถ้าเราเวลาฟังเรา ควบคุมอารมณไม่ได้ก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธไปเวลาพ่อแม่พูดอะไรก็คิดว่ากําลังอยู่กับพระก็แล้วกันเวลาพระเทศพระสอนอะไรเราก็นั่งฟังไปเฉยเฉยถ้าท่านพูดอะไรไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ต้องไปว่าท่านไม่ต้องไปเถียงท่านฟังไว้เฉยเฉยแล้วเราเอามาพิจารณาดูว่า ควรจะเอาไปทําตามที่ท่านพูดหรือไม่เพราะบางครั้งท่านอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่ถูกก็ได้แต่ด้วยความปาถนาดีเท่านั้นเองแต่อาจจะผิดก็ได้ถ้าเราพิจารณาว่ามันผิดมันไม่ถูกไม่ควรทําก็ไม่ต้องทําตามที่ท่านพูดก็ได้การไม่ทําตามคำสั่งสอนของบิดามารดานี้ไม่ได้หมายถาว่าจะเนรคุณหรืออกตัญอยู่ ถ้าคำสั่งคำสอนของบิดามารดาผิดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นถ้าบอกให้ไปขโมยให้ไปประพฤติผิดประเวณีมีภรรยาคนนี้แล้วคนนี้ไม่ดีให้ไปเปลี่ยนภรรยาใหม่อย่างนี้ก็ไม่ต้องฟังเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคำสอนที่ถูกตามหลักธรรม ทำแล้วทำให้เกิดเรื่องราวปัญหาขึ้นมาใหญ่โตก็ไม่ต้องทาตามเสมอไปแต่สิ่งไหนถ้าทำแล้วเกิดคุณเกิดประโยชน์ก็ทำไปถ้าทำได้ถ้ายังทำไม่ได้ก็รอไว้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรการที่ท่านสอนแล้วเราจะทำตามได้หรือไม่นี้ก็เป็นเรื่องของเราอีกทีหนึง่งทำได้ก็ดีถ้าเรา ทําอะไรที่ไม่ดีเช่นเสบบบายมุกเที่ยวเตรไม่ไปทํางานเนี่ยท่านคอยเตือนคอยบอกถ้าเราเลิกตามที่ท่านบอกให้เลิกได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราโทษหรือความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรานี่นี่คือปัญหาของลูกๆที่บางทีเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้เพราะว่า มักจะเบื่อพ่อแม่เลยไม่อยากจะอยู่ใกล้ยังมีคำพูดที่ว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้เพราะลูกก็อยู่ห่างเพราะต้องไปมีครอบครัวของตนเองต้องมีภาระที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองก็เลยไม่อยากจะมา ดูแลพ่อแม่ก็ได้แต่ถ้าล้ำลึกถึงพระคุณของพ่อแม่อยู่เรื่อยๆก็จะทำให้อยากจะทดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่อยากให้พ่อแม่อยู่อย่างสุขสบายอย่างน้อยเราก็อยากอยู่สุขสบายกว่าพ่อแม่ก็แล้วกันเราอยู่สุขสบายแต่พ่อแม่เดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ถูก เราควรจะคิดกลับกันเวลาที่เราอยู่สุขสบายแล้วพ่อแม่ท่านเดือดร้อนเพราะเราท่านทำได้ทำไมเราจะทำให้กับพ่อแม่บ้างไม่ได้เวลาที่พ่อแม่เดือดร้อนเราก็จะต้องเสียสละกันบ้างลูกๆ ก, ก็ช่วยกันมีเงินทองมีเวลาก็ผัดเปลี่ยนกันมาดูแลกันช่วยเหลือกันไปนี่เป็นการทำบุญ ทำแล้วจะทำให้เกิดความสุขใจสุขมากกว่าการไปเที่ยวสุขมากกว่าการไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่งเป็นความสุขประเดียวประดาวแต่ความสุขที่ได้ทดแทนบุญคุณของบิดามันดานี้มันฝังอยู่ในใจทุกครั้งที่เราคิดถึง การกระทาของเราต่อบิดามารดาจะทำให้เรามีความสุขใจมีความภูมิใจและเราจะไม่เสียใจเวลาที่บิดามารดาจากเราไปจะไม่ต้องมาร้องไห้ต่อหน้าลงสพว่าไม่ได้ทำอะไรให้กับบิดามารดาเลยนี่คือเรื่องของการทำบุญถ้าเรามีเงินทองหรือมีเวลา ว่าที่เราสามารถที่จะทาคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของผู้อื่นได้ก็ทำไปถ้าเราอยากจะมีความสุขดีกว่าเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆก็ไม่ห้ามเพียงแต่ว่ามันสู้ความสุขที่ได้จากการทำคุณทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นไม่ได้ เราเลือกทำได้กับบุคคลต่างๆกับสถานที่ต่างๆแล้วแต่ความพอใจของเราแต่เบื้องต้นควรจะทำกับบิดามารดาผู้มีพระคุณแล้วก็ทำกับพระศาสนาแต่ถ้าเราเห็นว่าท่านมีพอเพียงแล้วท่านไม่เดือดร้อนแล้วเราจะแบ่งไปทำที่อื่นก็ได้ ไปทำที่โงรงพยาบาลเพื่อเราจะได้มีที่รักษาพยาบาลทำที่โรงเรียนเพื่อลูกหลานของเราจะได้มีที่เรียนหนังสือทากับผู้ที่ยากไร้เพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมาสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นถ้าเขายากไร้เดือดร้อนแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเขาเขาอาจจะต้องมาลักมาขโมยมาท ความวุ่นวายให้กับสังคมได้เราก็ต้องช่วยกันไปแม้แต่สัตว์เดาารัจฉานก็ทำได้ช่วยแมวช่วยหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายวัวถายวัวถ่ายควายถ่ายชีวิตเหล่านี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจเป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์เนี่ยอันนี้ ดีกว่าไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังอะไรไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซึ่งจะมีความทุกข์ตามมาเพราะมันจะติดเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่ไม่สามารถทําได้แล้วจะเดือดร้อนจะทุกข์เราสักวันหนึ่งจะต้องทําไม่ได้กันเพราะร่างกายของพวกเราต่อไปก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ ต่อไปร่างกายก็จะไม่สามารถไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆได้ตอนนั้นจะมีความทุกข์มากแต่ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้การไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็ยังมีความสุขได้วิธีที่เราจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือ การมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนั่นเองเรียกว่าการมาปฏิบัติธรรมหรือการมาภาวนาจะทำให้ใจของเรามีความสุขมากขึ้นและมีความทุกข์น้อยลงทำให้ใจะใจของเราสูงขึ้นไปตามลำดับ การทำบุญทำทานนี่ก็จะยกระดับใจของเราให้ขึ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาแล้วถ้าเราทำบุญไม่ว่าจะทำกับใครทำกับบิดามารดาทำกับพระสงฆ์องค์เจ้าทำกับสถานที่ต่างๆเรากำลังยกระดับจิตใจของเราจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทวดาให้มีความสุขระดับของเทวดา ทั้งๆ ท, ที่ร่างกายเรายังไม่ตายแต่ใจของเรานี้เป็นเทวดากันไปแล้วเป็นเทพขึ้นไปแล้วแล้วพอไม่มีร่างกายดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณของเทพเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีแต่ความสุขเนี่ยแล้วก็จะสวยความสุขนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าความสุขนั้นจะหมดแล้วก็จะกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มา ทำอย่างที่เราทำกันอยู่ขณะนี้ต่อไปถ้าเราอยากจะยกระดับให้สูงกว่ายังมีความสุขของใจที่สูงกว่าระดับเทพคือระดับพรหมและระดับพระอริยบุคคลความสุขสองระดับนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของระดับเทพของระดับมนุษย์เพราะว่าเป็นการสร้างความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกาย ไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกร่างกายเพื่อไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อมาให้ความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการใช้ธรรมะคือสติปัญญามาควบคุมจิตใจทาจิตใจให้สงบทำให้จิตใจเกิดความสุขขึ้นมาที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ข, ของเทวดาและของมนุษย์ อันนี้ถ้าเราทําได้เวลาร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บหรือร่างกายเราตายนี้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจของเรายังสามารถมีความสุขได้เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้ใช้ตาหูจมกูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือในการสร้างความสุขให้กับเราเราใช้สติทําใจให้สงบ เราใช้ปัญญารักษาความสงบให้อยู่กับใจเราไปได้ตลอดเวลาวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่เป็นวิธีที่ยากที่สุดยากกว่าการรักษาศีลห้ายากกว่าการทำบุญทำทานทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่สุดวิสัยของมนุษย์พวกเราทุกคนถ้าเรามีความปรารถนาเราสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนการที่จะทำให้เรามีความปรารถนาในการหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้ก็คือเราต้องมาลองทำดูมาลองชิมดู เหมือนกลับไปชิมอาหารอาหารที่เราไม่เคยรับประทานนี่เราจะไม่กล้ารับประทานมากเพราะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะไม่อร่อยหรือกลัวว่ามันจะเป็นพิษกับเราแต่ถ้าเราไปลองชิมดูก่อนตักขึ้นมาสักช้อนหนึ่งลองสัมผัส ด, ดูกับรสของอาหารที่เราไม่เคยรับประทานพอได้สัมผัสแล้วถูก อ, อกถูกใจขึ้นมา ทีนี้ก็เราก็จะมีความปรารถนามีความอยากที่จะรับประทานอาหารแบบนั้นแล้วเนีนั่นและความสุขที่เหนือกว่าความสงบทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่พวกเราจะสามารถสัมผัสได้ด้วยการไปลองชิมดูเรายังไม่ต้องไป ไปปฏิบัติเต็มรูปแบบไม่ต้องไปบวชเป็นพระเป็นชีเราเพียงแต่ไปเป็นอุบาสกอุบาสิกาในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆหาวันไหนเวลาไหนว่างลองไปวัดดูแล้วไปหัดถือศีลแปดดูเพราะว่าเราต้องมีศีลแปด คอยห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนั่นเองสินแปจะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากการนุ่มดับนอนกับสามีภรรยาห้ามไม่ให้เรากินอาหารมากเกินไปเอาเพียงเที่ยงวันก็พอพอเลี้ยงดูร่างกายได้รักษาร่างกายให้อยู่ได้ไม่ต้องกินมากเพราะกินมากจะเป็นอุปสรรค จะทำให้เสียเวลาของการที่จะไปปฏิบัติทำใจให้สงบแล้วก็ห้ามไม่ให้เราไปดูไปหาความสุขจากมหรศลพบันเทิงต่างๆห้ามไม่ให้ไปงานเลี้ยงต่างๆห้า ม, มให้แต่งเนื้อแต่งตัวห้ามไม่ให้นอนมากเกินไปโดยไม่ให้นอนบนเตียงหนาๆเสียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ ให้นอนบนพื้นแข็งๆเพื่อจะได้นอนไม่มากให้ร่างกายได้พักผ่อนพอนแล้วก็จะลุกขึ้นมาจะไม่อยากนอนต่อถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆก็อาจจากจะนอนไปต่อหลังจากที่ร่างกายได้พักผ่อนพอนแล้วพอตื่นขึ้นมาเนื่องจากมันสบาย ก็เลยไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้างความสุขทางใจสร้างความสงบที่เกิดจากการฝึกสตินั่งสมาธินั่นเองนะคับนเบื้องต้นเราต้องหัดถือศีลแปดกันก่อนถึงจะมีเวลาที่จะมาทำจิตใจให้สงบได้มีเวลามานั่งสมาธิมีเวลามาฟังธรรมฟังวิธี นั่งสมาธิว่าจะต้องนั่งอย่างไรถึงจะทำให้ใจสงบได้การนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการาขับรถยนต์เราก็ต้องหัดขับก่อนต้องมีคนสอนถ้าเราไม่มีคนสอนเราไปหัดขับเองก็อาจจะขับผิดขับถูกหรืออาจจะขับไม่ได้ เราไม่รู้วิธีที่จะสตาร์ทลดสตาร์ทอย่างไรไม่รู้จากวิธีที่จะทำให้ลดเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังได้อย่างไรต้องมีต้องไปเรียนรู้ก่อนเราก็ต้องไปเรียนวิธีฝึกสมาธินั่งสมาธิก่อนอันนี้ในเบื้องต้นเราไม่ต้องไปเป็นนักบวชเราอย่าไปคิดว่าต้องเป็นนักบวชถึงจะไปภาวนาไปปฏิบัติทำได้ คนวิธีหัดภาวนานี้ทุกคนทำได้ขอให้มีเวลามีเวลามาถือศีลแปดให้มีสถานที่ที่สงบมีคนสอนท่านี้เราก็จะไปเรียนรู้วิธีแล้วไปหัดนั่งสมาธิได้แล้วถ้าเราทำถูกเราก็อาจจะได้ริมลดของผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิ พอเราได้สัมผัสกับลดที่เกิดจากความสงบแล้วมันจะทำให้เราเกิดแรงจูงใจเกิดความอยากที่จะสร้างความสุขแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของการเป็นมหาเศรษฐีของการเป็นพระราชามหากษัตริย์ ของแชมเปี้ยนโลกของผู้ที่ได้รับเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกของผู้ที่ได้ไปท่องเที่ยวรอบโลกความสุขต่างๆเหล่านี้สู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้พอเราได้ความสุขที่เลิศที่สุดเราก็จะไม่อยากได้ความสุขแบบอื่นเราก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีหาความสุขของเรา เรื่องต้นเราก็อาจจะทําอาทิตย์ละวันต่อไปเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันไปศึกษาไปปฏิบัติไปอยู่วัดเพิ่มขึ้นลดการทํางานลดการหาความสุขผ่านทางร่างกายให้น้อยลงต่อไปเราก็อาจจะไปบวชได้เพราะถ้าเรายิ่งทําเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้รับความสุขมากขึ้น ความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เกิดจากการอยู่แบบเป็นคารวะผู้คองเรือนก็จะน้อยลงไปการอยู่แบบคาลวาดนี้ผู้คองเรือนนี้ถึงจะแม้ถึงแม้จะมีความสุขทางร่างกายแต่ก็มีความวุ่นวายใจอยู่ไม่รู้จักจบจากสิน้นเ<ส><ส>ดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องนี้เข้ามาก็สร้างความวุ่นวายใจสร้างความกังวลใจ สร้างความไม่สบายใจให้อยู่เรื่อยๆพอเราได้ไปสัมผัสกับความสงบความสุขที่ไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีเรื่องไม่มีปัญหามันก็จะทําให้เรานี้เบื่อกับความสุขแบบของผู้คองเหลือนได้ก็จะทําให้เราอยากจะไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเรา ทำมากขึ้นผลก็จะมีมากขึ้นมันก็จะมีแรงดึงดึงดูดแรงจูงใจที่จะทำให้เราอยากจะได้ความสุขตลอดเวลาเลยเพราะเราสามารถทำได้เรารู้แล้วว่าเราสามารถทำได้เพียงแต่ว่าขอให้เรามีเวลาเท่านั้นพอเรามีเวลาเราก็จะสามารถ สร้างความสุขทางใจได้ตลอดเวลาก็อาจจะถึงวันหนึ่งที่เราอาจจะไม่กลับบ้านเลยก็ได้ตัดสินใจอยู่วัดไปตลอดเพื่อที่จะได้สร้างความสุขทางใจอย่างเต็มที่จะไม่รู้สึกเสียดายจะไม่รู้สึกคิดว่าเราจะต้องจากครอบครัวจากพี่จากน้องจากสามีจากภรรยาจากลูกเต้าไป เพราะเราก็จะคิดว่าคนเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันอยู่ดีทุกคนไม่มีใครจะอยู่ร่วมกันไปตลอดสู้จากแบบแบบไปแล้วมีที่มีรอรับเราอยู่ีมีความสุขรอรับเราอยู่ดีกว่าไปแบบไม่มีความสุขเนี่ยไปแบบเวลาถูกบังคับ เป็นเวลาตายต้องจากกันตอนนั้นเราอาจจะไม่มีความสุขติดตัวเราไปเลยเราก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่ยากทุกยากลำบากแต่ถ้าเราเอาเวลาในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้มาเพิ่มพูนความสุขต่างๆที่เราสามารถเพิ่มพูนให้แก่จิตใจของเราได้เราก็จะสามารถเติมความสุขให้ได้ถึงขั้นเต็มร้อยเลยก็ได้ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปด้วยเพราะถ้าเราได้ความสุขแบบเต็มร้อยนี่มันจะทำให้จิตใจของเรานี่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาทำบุญเพื่อไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมเราจะไปอยู่ที่พระนิพพานกับพระพุทธเจ้า ที่ไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจของพวกเรานี้จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาความทุกนี้จะไม่มีอยู่ในใจอีกต่อไปอันนี้เราต้องเริ่มต้นด้วยการไปทดลองดูเราควรที่จะกำหนดวันขึ้นมาอาทิตย์ละหนึ่งวันสมัยโบราณท่านก็กำหนดวันพระให้เป็นวันที่เราไปวัดกัน ไปหัดนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมกันไปศึกษาวิธีทําใจให้สงบแต่สมัยนี้วันพระมักจะไม่ตรงกับวันหยุดทํางานเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากการใช้วันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างวันนี้วันนี้ท่านไม่ต้องไปทํางานก็เลยมาวัดกันการมาวัด ส่วนใหญ่ก็มาเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญกันแต่ยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมกันก็ลองเพิ่มเคยมาวัดฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญแล้วลองอยู่วัดสักคืนหนึ่งเพื่อที่จะได้มาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบกันเพราะว่าถ้าเราไม่ทำผลมันไม่เกิด การฟังทำการเรียนรู้วิธีทำใจให้สงบเนี่ยังไม่ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้การที่จะทำใจให้สงบเราต้องทำทำตามวิธีที่จะทำให้ใจสงบวิธีที่จะทำให้ใจสงบก็คือต้องมีสติคอยควบคุมใจให้ไม่ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวขวางความสงบ เปรียบเหมือนกับน้ำในสระในสระน้ำนี่ถ้ามีคนไปอาบคนไปตักน้ำอยู่เรื่อยๆไปกระโดดน้ำน้ามันก็จะไม่นิ่งน้ำมันก็จะเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่พอไม่มีใครไปตักน้ำไม่มีใครไปเล่นน้ำแล้วปล่อยให้น้ำอยู่เฉยๆเดี๋ยวน้ำมันก็นิ่งขึ้นมาเองใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้มันคิดยดมันก็จะไม่นิ่ง ิแล้วมันก็จะเกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนมื่อต่างๆขึ้นมาเกิดความโลภเกิดความอยากเกิดความเสียใจเกิดความดีใจต่างๆขึ้นมามันก็จะไม่เคยนิ่งเลยเพวกเราตั้งแต่เกิดมาทุกคนที่เราเชื่อได้ว่ายังไม่เคยมียังไม่มีใครได้เจอความนิ่งความสงบของใจเลยเพราะเราไม่เคยควบคุมมันไม่เคยหยุดมันนั่นเองไม่เคยมาหยุดความคิดกัน ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้แล้วเราจะพบกับความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของใจเราว่าเป็นใจที่เลิศเป็นใจที่ให้ความสุขที่ไม่มีอะไรและในโลกนี้สามารถที่จะเทียบได้นีนะดังนั้นเราต้องหลังจากที่ได้เรียนรู้วิธีที่จะทําให้ใจสงบแล้วเราก็ต้องทํากัน แล้วก็เวลาทำก็ต้องใจเย็นๆอย่าไปเรียบร้อนว่าไม่ใช่ทำปุ๊บจะได้ปั๊บเนี่บางคนอาจจะใช้เวลาเป็นหลายเดือนหลายปีด้วยกันกว่าจะได้ทำใจให้สงบได้แต่ถ้ามีความพยายามอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวความสำเร็จมันก็จะตามมาอย่างแน่นอนขอให้มีความพยายามมีการทำกันอยู่เรื่อยๆมีการฝึกสติอยู่เรื่อยๆ วิธีฝึกสติก็คือเราต้องมีอารมณ์อะไรมาคอยสนับสนุนให้เกิดสติอารมณ์ที่เราใช้ในการทําให้มีสติเราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ต่างๆเช่นพุโทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งถ้าเราเลิกถึงพุโทโธพุโทโธเลิกสวดมนต์บทอิติปิโสอันนี้เรียกว่าพุทธานุสติ ใครนัเลือกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการสร้างสติขึ้นมาแล้วพุโทโธนี้เป็นกรรมฐานที่เหมือนยาหม่องใช้ได้กับโรคทุกชนิดใช้ได้กับทุกคนเป็นของที่ง่ายที่สุดพุโทโธนี้เพียงแต่ท่องคำว่าพุโทโธคําเดียวเพียงแต่ต้องท่องแบบไม่หยุดเท่านั้นเองต้องท่องไปเรื่อยตั้งแต่ตื่นขึ้ น, นมาเลย ก็ลืมตาขึ้นมาถ้าเรามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่มีเรื่องอะไรต้องคิดนอกจากเรื่องที่เราต้องมาดูแลร่างกายเราเท่านั้นเองเช่นอาบน้าอาบท่าอับน้า อ, อาบท่าล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารก็มีเรื่องให้คิดเท่านั้นเองถ้ามันจะไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ใช้พุโทโธหยุดมัน เวลาจะไปคิดถึงบ้านคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอะไรต่างๆก็อย่าไปคิดมันอย่าไปเสียดายมันไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากมันไปของพวกนี้ไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเรามาสร้างของที่เป็นของเราตลอดดีกว่าคือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในก็คือความสงบนี่เองสร้าง ความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงด้วยการใช้พุทธโธพุทธโธเป็นผู้มาลังงับความคิดต่างๆพอลืมตาขึ้นมาก็พุทธโธแล้วก็ไปทำอะไรก็พุทธโธไปเรื่อยๆอาบน้ำก็พุทธโธล้างหน้าแปลงฟันก็พุทธโธรับประทานอาหารก็พุทธโธพุทธโธพุทโธไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราจะควบคุมความคิดได้พอเราไม่ต้องทำอะไรเราก็นั่งหลับตานั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธต่อไปเดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วใจก็จะนิ่งจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นความสุขขึ้นมาแล้วเราจะทำให้เราติดใจแม้แต่แม้ความสงบนั้นในเบื้องต้นจะเป็นแบบงูเล็บลิ้นก็ตาม คือสงบแป๊บเดียวแล้วมันก็จะถอนออกมากลับมาคิดต่อเราก็ใช้พุโทโธใหม่พยายามคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกลับเข้าไปสงบใหม่แล้วก็จะสงบนานเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆยพอเรารู้จักวิธีควบคุมความคิดด้วยพุโทโธแล้วเทนี้เราก็จะใช้พุโทโธอยู่เรื่อยๆจะไม่ปล่อยให้ใจคิดเหมือนเมื่อก่อนนี่ พอจะคิดเลื่อยเปื่อยคิดเพ้อเจ้อคิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดก็ใช้พุทโธพุทโธพุทโธหยุดมันแล้วต่อไปเราจะสามารถควบคุมความคิดได้หยุดความคิดได้พอความคิดหยุดใจก็สงบนิ่งเป็นสมาธิแต่พอสติที่เราทำให้ความคิดหยุดคิดอ่อนกำลังลงความคิดก็จะกลับขึ้นมาใหม่ เป็นเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องที่เราจะต้องทำแล้วบางทีเราก็เผลอปล่อยให้มันคิ ด, ดเ้ื่อเปื่อยคิดเลยเถิดคิดไปอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้จะทำให้ใจเราเริ่มร้อนขึ้นมาถ้าเราอยากจะทาให้ความสงบที่เราได้จากสมาธินี้อยู่ต่อไป เบื้องต้นเราก็ต้องกลับมาพุทธโธพุทธโธใหม่คอยควบคุมความคิดแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่เพื่อให้มันเข้าไปในสมาธิได้นานขึ้นอยู่ได้นานขึ้นเพราะยิ่งอยู่ได้นานใจก็ยิ่งเย็นได้นานเวลาออกจากสมาธิมาใจก็จะไม่หิวโหวยถ้าใจไม่สงบใจไม่เย็นใจจะหิวโหวย จะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากดูอยากฟังอยากทำอะไรต่างๆก็จะทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาแล้วถ้าเราหยุดมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็พาเรากลับบ้านไปอยู่ต่อไปไม่ได้เพราะเริ่มอยากไปทำนู่นทำนี่ขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะให้มันพาเรากลับเราก็ต้องสู้กับมันด้วยการคอยควบคุมความคิดของเราด้วยพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆ การใช้พุโทโธนี้ก็จะหยุดความคิดทำใจให้สงบได้เป็นพักๆแต่จะไม่สามารถทำใจให้สงบได้อย่างถาวรถ้าอยากจะทำให้ใจสงบได้อย่างถาวรหลังจากที่เราใช้สติมาจนชำนาญแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีมาใช้ปัญญาแทนให้ใช้ปัญญาคิดไปในทางที่จะทำให้ใจไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร พอให้คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนะั้นมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นอนิจจังไม่ช้าก็เร็วได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันหมดกันพอจากกันหรือหมดไปความเสียใจความทุกข์ใจก็กลับมาทําให้เราเห็นทุกในสิ่งต่างๆว่ามันเป็นของชั่วคราวถ้าเราเห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวมันจะทําให้เราทุกข์และเราไม่สามารถ ครอบครองมันไว้เป็นของเราได้ไปตลอดเราก็จะได้เปลี่ยนใจว่าไม่อยากเอาดีกว่าไม่อยากมีดีกว่าไม่อยากเป็นดีกว่าพอเราเปลี่ยนใจแทนที่จะอยากกับไม่อยากได้ใจที่ร้อนขึ้นมาก็จะกลับมาเย็นใหม่จะกลับมาสงบใหม่แล้วจะสงบไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาพอมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาเราก็ใช้ ปัญญาคือไตลักมาสอนใจเหมือนเดิมว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้มันไม่เที่ยงมันจะต้องมีเปลี่ยนไปมีหมดไปพอมันเปลี่ยนไปหมดไปสุขที่ได้จากมันก็หายไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจมันจะสอนให้เราเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ พอเราเห็นแล้วทีนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาพอเห็นว่ามันทุกข์ก็ไม่เอาดีกว่าไม่อยากดีกว่าเราก็จะฝืนความอยากได้ไปเรื่อยๆต่อไปความอยากที่เคยมีอยู่ในใจที่เคยฉุดลากให้เราไปหาความสุขต่างๆก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดนี้ใจของเราก็สงบไปตลอดเวลาสุขไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุข เพราะความจริงนี้ความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบความที่ไม่มีความอยากต่างๆนี่ส่วนความสุขที่เราได้จากความอยากต่างๆนี้มันเป็นของปลอมมันเป็นสุขปลอมมันเป็นความสุขที่จะกลายเป็นความทุกเวลาที่เราจะต้องจากมันไปหรือเวลาที่มันจากเราไปนั่นเองนี่คือวิธีสร้างความสุขในระดับสูงสุด ด้วยสติด้วยปัญญาเบื้องต้นก็ใช้สติทำใจให้สงบชั่วคราวแล้วขั้นที่สองก็ใช้ปัญญารักษาความสงบชั่วคราวนี้ให้เป็นความสงบอย่างถาวรด้วยการคอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสงบที่ไดจากการเจริญสติแล้วต่อไปจิตของเราก็จะสงบไปตลอด จิตที่สงบไปตลอดนี้เป็นจิตที่ได้พัฒนาขึ้นสู่ระดับที่สูงสุดของจิตใจคือระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพระอาหารหันต์คือเป็นจิตใจที่เรียกว่านิพพานจิตใจที่ปราศจากความอยากต่างๆจึงเป็นจิตใจที่สงบที่มีความสุขตลอดเวลาที่เป็นบรมสุขนิบานังปรมังสุขขัง มันเป็นการยกระดับจิตใจให้สู่ระดับสูงสุดสูงกว่าระดับเทพสูงกว่าระดับพรหมก็คือระดับของพระพุทธเจ้าระดับของพาอาระอรหันตสาวกทั้งหลายที่เกิดจากการที่เรามาฝึกหัดนั่งสมาธิเจริญสติหัดใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์กันอยู่เรื่อยๆมองอะไรเห็นอะไรพิจารณาให้เห็นเถิดว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยง เพราะความไม่เที่ยงมันเลยจะทำให้เราทุกข์ะที่มันไม่เที่ยงก็เพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักแล้วความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่ ง, งต่างๆมันก็จะหายไปหมดแล้วใจของเราก็จะสงบไปตลอดไม่ต้องมามีร่างกายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไป เมื่อเราไม่ต้องมีร่างกายเราก็ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ไม่ต้องมาทุกข์ ก, กขับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องมาทุกข์กับความตายเนี่ย <c ười> <c ười> พระพุทธเจ้าตอนนี้ท่านสบายพระสาวกทั้งหลายท่านสบายท่านอยู่แบบไม่มีร่างกายได้และมีความสุขมากกว่าการมีร่างกายพ่อมีร่างกายถึงแม้จะมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอ แต่ถ้าไม่มีร่างกายก็จะไม่มีความทุกข์ทุกข์จึงมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่ก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่การที่จะไม่เกิดก็ต้องฝึกสติฝึกปัญญาสร้างสติสร้างปัญญาเพื่อมาทำใจให้สงบกับจัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสงบที่เกิดจากการใช้สติแล้วต่อไปก็จะ ไม่ต้องทำอะไรต่อไปมีแต่อยู่กับความสุขที่ถาวรไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขอย่างที่พวกเราวิ่งหากันซึ่งเป็นเหมือนการตะคุบเหงาพอได้ความสุขแป๊บเดียวเดียวมันหายไปแล้วไปเที่ยวมาวันนี้กลับมาหายไปแล้วความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกไปเที่ยวใหม่พอไม่ได้ไปเที่ยวก็ทุกข์ใจขึ้นมาเหงาใจขึ้นมาซึมเศร้าขึ้นมาว้าเหวขึ้นมา นี่ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขเป็นวิธีหาความทุกข์กันวิธีหาความสุขต้องทำแบบที่พระพุทธเจ้าสอนขั้นที่หนึ่งก็ให้ไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เราได้รู้วิธีหาความสุขที่แท้จริง พอรู้แล้วเราก็ไปทําคือการไปทําบุญทําทานถ้าเรายังมีเงินมีทองยังใช้เงินซื้อความสุขต่างๆก็เอาเงินที่ไปซื้อความสุขนี้ไปทําบุญแทนไปซื้อบุญแทนเป็นความสุขที่ที่ปลอดภัยจากความทุกข์แล้วก็รักษาศีลห้ากันเพื่อจะได้ไม่ทําให้ใจต้องทุกข์กับการต้องไปเกิดในอบาย แล้วถ้าอยากแล้วก็ไปเพิ่มการรักษาศีลห้าเป็นศีลแปแล้วก็หัดนั่งสมาธิหัดพิจารณาตายรักให้เห็นตายรักอยู่ตลอดเวลาต่อไปเราก็จะสามารถยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ระดับของพระอริยบุคคลของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์ได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือวิธีหาความสุข ที่พระตถจ้าสทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาหากันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเิวาหาปปราปาริโุเลนติสาขลัง เอวเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิตาโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนะราโสยถามณีโชติระโสยถาสัพ พิทิโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทนัสิลิสานิจังุทธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภา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 วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามใน Facebook มี323ท่านค่ะ y o u t u b บ264ท่านวิทยุออนไลน์มี12ท่านผู้รับฟังบนเขามี171ท่านค่ะรวมเป็น770ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลย คำถามจากคุณจรัดลักษ์ค่ะโยมอยู่บ้านคุณแม่เสียชีวิตสองปีครึ่งแล้วโยมยังพูดคุยกับคุณแม่เวลาคิดถึงคุณแม่พูดคุยแบบว่าแม่ไปทําบุญการแม่ไปเที่ยวกันแม่ให้ร้านของเราขายของดีๆนะแม่ฝากดูแลบ้านนันจ้าไม่อยู่สองวันแบบนี้แม่จะมีห่วงและ ไปเกิดในภพภูมิใหม่ของท่านไม่ได้อันนี้จริงไหมคะ อ, อ๋อไม่จริงหรอกท่านก็ไปตามอํานาจบุญอํนานาจบาปของท่านนะเราเราคิดไปของเราเองมันได้มีอิทธิผลอะไรกับการไปเกิดของท่านนะแต่ถ้าท่านคิดถึงเราท่านก็อาจจะยังวนเวียนมาอยู่ใกล้เราอยู่ก็ได้แต่ถ้าท่านไม่คิดถึงเราท่านก็ไปตามอํานาจของบุญบาปที่ท่านได้ทําไว้ คำถามจากคุณนิชาค่ะในเวลาที่ออกจากเรือนไปกระทำความเพียรแบบสันโดษตัดการติดต่อสื่อสารจากโลกโดยสิ้นเชิงเมื่อจิตไม่มีอะไรรบกวนความคิดความฟุ้งซ่านจึงเกิดได้ยากเห็นได้ว่าจิตค่อยๆยกระดับความสงบมากขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากครบกำหนดกลับออกมาใช้ชีวิตทางโลกจิต ก็จะค่อยๆ ค, คลายจากความสงบอันนั้นลงมาจนเข้าสู่ภาวะปกติพอไปปฏิบัติอีกจิตก็จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอีกพอกลับมาจิตก็ค่อยๆลดระดับลงมาขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่จิตเที่ยวขึ้นเที่ยวลงแบบนี้ก็ให้เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไรเจ้าคะควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะเวลาขึ้นมันก็ดีเยเวลาลงมันก็ไม่ดี ถ้าไม่อยากจะให้มันลงก็อย่า ก, กลับมานี่กลับมามันก็ลงถ้าไปมันก็ขึ้นถ้าอยากให้มันขึ้นแบบไม่กลับแบบก็ต้องไปแบบพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปอยู่ป่าสองวันแล้วกลับไปอยู่วังสองวันท่านไปแบบไม่กลับถ้าอยากจะให้มันขึ้นไปไม่ลงมาก็ต้องไปแบบไม่กลับจะกลับมาก็ตอนที่มันไม่ลงแล้ว คือถ้ามันขึ้นถึงขีดสูงสุดแล้วมันจะไม่ลงแล้วมันถูกล็อกไว้แล้วพอถึงนิพพานแล้วมันไม่มีวันเสื่อมแล้วทีนี้ก็จะกลับมาเยี่ยมคนนั้นเยี่ยมคนนี้ได้พระพุทธเจ้าก็กลับไปโปรดพญาติไปสั่งสอนญาติโยมตลอด45ปีแต่ช่วง6ปีที่บำเพ็ญ น, นี้ท่านไม่กลับไปไม่ไปหาใครปีกเว้เวกตลอดระยะเวลา6ปีด้วยกัน เพื่อยกระดับจิตให้ขึ้นสู่ขีดที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปคำถามจากคุณภาชระค่ะพระอาจารย์เคยพูดด้วยว่าพระโสดาบันจะไม่แสวงหาความสุขจากขันห้าอยากให้พระอาจารย์ยกตัวอย่างว่าเป็นการงดเสพความสุขจากการกระทำแบบใดบ้างครับอ๋อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น หมายความว่าไม่ยึดไม่ยึดติดกับขันห้าแต่ยังใช้ขันห้าเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เพียงแต่ว่าไม่ยึดติดหมายความว่าถ้าร่างกายเป็นอะไรไปก็ไม่ทุกข์กับมันร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายตายพระโสดาบันจะไม่ทุกข์กับมันแต่ถ้าแต่ใจยังมีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ ก็ยังถ้ายังไม่ได้หยุดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ยังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมามีร่างกายเพื่อมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่จนกว่าจะสามารถตัดความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสได้บรรลุถึงขั้นพระอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาแต่จะไปเกิดอยู่ในภพของพรหม แล้วก็จะบรรลุทำขั้นสูงสุดต่อไปตามลำดับยังเสพกามอยู่พระโสดาบันแต่ถ้าเป็นผ้านาคามีนี้ตัดการเสพกามได้ไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ขันห้าแต่พระโสดาบันยังใช้ขันห้าอยู่เพียงแต่ว่าไม่ยึดรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันต้องดับเลยไม่ยึดเลยไม่ทุกกับการดับของขันห้า คำถามจากคุณทีเคค่ะถ้าเราปฏิบัติภาวนาเงียบๆคนเดียวในป่านี่จะเหมาะไหมครับก็เป็นอย่างนั้นวิธีปฏิบัติภาวนาก็ต้องการสถานที่ที่เงียบก็ลองไปทำดูแล้วเปรียบเทียบดูระหว่างอยู่ที่มีคนกับอยู่ที่ไม่มีคนผลเป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรง่ายยากง่ายต่างกันอย่างไร คำถามจากคุณสาลินีค่ะจริงไหมคะที่มีพระบอกว่าบุญที่ลูกทําสามารถช่วยพ่อแม่ได้เวลาพ่อแม่ไปตกนรกนึกถึงลูกบุญที่ลูกทําก็จะมาเลยเออไม่ได้ดอกบุญใครบุญมัน <c oughs> งนั้นก็ไม่ต้องทําเดี๋ยวให้คนอื่นทําให้เราตอนนี้คำถามไม่มีครับอ า, าจารย์หมดแล้วนะนะบุญบาปนี่ของใครของมัน ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญของบาปนั้นเพียงผู้เดียวผู้อื่นนี้มารับให้เราไม่ได้มาแบ่งบุญให้เราไม่ได้แบ่งบาปให้เราไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าไปเกิดในภพที่ยังรอรับบุญของผู้อืน่นก็จะได้เศษบุญ บุญที่พวกเราทำกันนี้เราแบ่งไปได้แต่บุญที่แบ่งไปนี้เป็นเหมือนเศษบุญไม่ได้เป็นบุญทั้งก้อนเป็นเพียงเล็กน้อยเหมือนกับเงินที่เราแบ่งให้ขอทานเพราะจิตอยู่ในสภาพที่รับบุญมากไปกว่านั้นไม่ได้ดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วที่มารอรับส่วนบุญนี้ก็รับได้เพียง เซียวดีวเป็นเศษบุญพอประทังชีพไปวันวันหนึ่งพอบรรเทาความทุกข์ยากไปวันวันหนึ่งแถวบ้านเราเลยมีธรรมเนียมที่ทําบุญทุกวันใส่บาททุกวันนะใส่บาทเสร็จเราก็อธิบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเขาอาศัยบุญนี้เขาก็ยังจะได้มีอะไรบรรเทาเข้าไปได้เรื่อยๆคําถามจากคุณมารุพงศ์ค่ะการตัดความทุกข์ที่เกิดจาก การต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักนี่จะทําอย่างไรครับก็ต้องรู้สาเหตุของความทุกว่าเกิดจากความอยากอยากไม่พลัดพรากจากกันนี่แหละเป็นทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาสังเกตดูถ้าเราอยากให้เขาไปนี่เวลาเข้าไปเราทุกข์ไหมที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาไปพอเขาไปเราก็เลยทุกข์แต่คนที่เราอยากให้ไปนี่พอมันไปนี่เราเลี้ยงฉลองกันเลยใช่ไหอ มันอยู่ที่ความอยากของเราไม่ได้อยู่ที่การพัดภาคจากกันอยู่ที่ใจเราอยากให้พัดภาคหรือไม่อยากให้พัดพาคถ้าอยากให้พัดพาคเวลาพัดภาคจากกันก็จะไม่ทุกข์เี่เราต้องเปลี่ยนใจเราอยากไปอยากให้ไม่พัดพาคจากกันเราต้องยอมรับความจริงว่าจะต้องพัดพาคจากกัน <l> แล้วเราควรที่จะเปลี่ยนใจว่าอยากให้พัดพาคจากกัน แล้วเวลาพัดพากจากกันเราจะได้ดีใจไม่เสียใจเพราะมันจะได้หมดปัญหากันนะอยู่ด้วยกันมันถึงแม้จะมีความสุขมันก็มีปัญหากันใช่ไมไม่ว่าจะอยู่กับใครไม่ปัญหามากก็ปัญหาน้อยไม่มีภาระบ้างก็ภาระน้อยที่จะต้องคอยดูแลกันอยู่คนเดียวมันแสนจะสบายพออยู่กันอีกคนหนึ่งก็ต้องมาห่วงใยกันมากังวลกันมาดูแลกัน พอไม่มีเขาแล้วก็สบายโล่งไปเลยนี่คือปัญญาที่จะทําให้เราเปลี่ยนจากความอยากไม่พัดภาคให้อยากพัดภาคจากกันพัดภาคจากกันแล้วมันสบายหมดภาระไม่ต้องคอยมาเลี้ยงดูกันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องมาคอยพยาบาลกันคําถามจากคุณพัทรมนล์ค่ะสวดมนตแปลกับไม่แปลนี่แตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะ แต่ก็จะได้รู้ความหมายเพราะบทสวดมนต์เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาแขกถ้าเราเป็นคนไทยเราก็จะไม่เข้าใจความหมายก็จะไม่ได้ความรู้จากการสวดมนต์เพราะว่าบทสวดมนต์นี้ส่วนใหญ่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นมงค์ละสูตรสอนวิธีสร้างมงคลต่างๆ ถ้าเราสวดปาลีก็เหมือนก็จะว่ า, อาเอเสบานาะจะบาลานางังบัณฑิตานั้นจะเสวนาเอตัมมังกัลลุมตัมังสวดไปแล้วก็ไม่รู้ความหมายอะไรแต่ถ้าเราแปลความหมายว่าการไม่ครบคนพาหนึ่งการครบบันดิตหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ยนี่คือคำแปลของบทสวดมนต์ต่างๆถ้าเราสวดไม่แปลเราอยากจะรู้ความหมายเราก็ต้องไปอ่านคำแปลที่หลังก็ได้ การสวดโดยที่ไม่มีเข้าใจความหมายก็ได้เพียงแต่สติคือเวลาส่วนมนตนี้เราก็จะมีสติห้ามใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะได้ความสงบแต่อาจจะไม่ได้ปัญญาแต่ถ้าสวดเราเป็นภาษาที่เราเข้าใจเช่นสวดภาษาไทยเราก็จะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาได้สมาธิได้ความสงบแล้วก็ได้ปัญญาที่จะมาสอนใจให้ฉลาด ให้ดับความทุกข์ต่างๆต่อไปได้คำถามจากคุณปนลักษณ์ค่ะถ้าพ่อแม่เราเสียชีวิตแล้วเราจะตอบแทนบุญ ค, คุณท่านอย่างไรคะก็ทําบุญอุทิศไปเราไม่รู้ว่าท่านอยู่ในสถานภาพไหนท่านอาจจะมารอรับส่วนบุญของเราก็พยายามทําบุญทุกวันอย่าทําเฉพาะช่วงวันตายตายไปแล้วคบราบ <c oughs> พอครบรอบปีก็ทาสักครั้งหนึ่ง ส่วนวันอื่นถ้ามานั่งรอรับบุญก็ไม่มีใครให้บุญงั้นแบ่งบุญทำไปวันละเล็กวันละน้อยดีกว่าเพื่อจะได้อุทิศให้คนตายได้ทุกวันคำถามจากคุณปอปลาตากลมถ้าเรามีทรัพย์สินเราควรต้องทำตอนที่มีชีวิตอยู่จะได้บุญมากกว่าตอนที่เราตายไปแล้วแล้วก็ญาติมาบริจาคทรัพย์สินของเราให้การกุศลใช่ไหมเจ้าคะ เพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วมันไม่ได้เป็นของเราแล้วเข า, เาไปบริจาค ก, ก็เป็นของของคนที่เ้ า, าไปบริจาคถ้าเราอยากจะได้บุญเป็นของเราเราก็ต้องบริจาคตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะเขียนพินัยกรรมว่าตายแล้วยกมนี้ให้กับวัดนูน้นวัดนี้ก็ไม่ได้บุญ เพราะเราไม่รู้ว่าถึงเวลาตายจริงๆเขาทำหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำตั้งแต่ตอนที่เราไม่ตายนี่นเรารู้เราได้เสียสละเงินทองของเราไปแล้วเราก็จะได้บุญคือความสุขใจปรากฏขึ้นมาทันทียังต้องทำตอนที่เราเป็นบุญหรือบาปเหมือนกัน ไปทําตอนตายไม่ได้เหรอเช่นเขียนพินัยกรรมว่าเราตายแล้วต้องจัดการกับคนนั้นให้เราหน่อยอย่างงี้มันก็ไม่เป็นบาปไอคนที่ไปทําให้เราน่ยมันบาปคนที่ไปทําบุญให้เราเขาก็จะได้บุญคนที่เขาไปทําบาปเขาก็จะได้เขาก็จะได้บาปแต่เราไม่ได้บุญไม่ได้บาปหลังจากที่เราตายไปแล้วต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่คาถามฝากถามค่ะ การฝึกเจริญสติขั้นต้นสำหรับคารวาสควรเริ่มฝึกอย่างไรคะก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนึเวลาจะคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นอย่าต้องคิดก็หยุดมันด้วยพุทธโธพุทธโธไปเวลาโกรธก็พุทธโธพุทโธไปเวลาโลภก็พุทธโธพุทโธไปต่อไปเราก็มีสติหยุดความโลภความคิดได้หยุดความโกรธได้ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ ะ, ะที่พระอาจารย์บอกว่ากรรมใครกรรมมันเนี่ยแล้วมรดกกรรมนี่มีจริงไหมเจ้าค่ะก็เราเนีเป็นผู้รับมรดกเนี่ยมรดกกรรมก็คือผลของกรรมเนี่ยพอเราทําบาปบาปั๊บใจก็ทุกข์ขึ้นมาใจก็เสื่อมลงไปพอทําบุญปั๊บใจก็สุขขึ้นมาใจก็เจริญขึ้นมาเนีเกิดผลทันทีเลยไม่ได้รอให้ตายไปแล้วถึงจะรับผล หมดแล้วนะมีใครติดใจอะไรอีกไหมยอยากจะถามอะไรอีกหรือเปลา่าเดี๋ยวส่งใหม่ไปหน่อยนะช่วยช่วยส่งใหม่ไปให้หน่อยอช่วยพูดใกล้ๆกลปากหน่อยนะนะใหม่จะขอเรียนถามอา จ, จารย์นะคะถ้าสมมุติว่าลูกกระทำ กระทาตอบบิดามารดาด้วยกริยาวาจาที่ไม่ไม่เคารพทั้งที่ใจรักและเคารพ บ, บิดามารดาแล้วถ้าเกิดมารดากระทาตอบแล้วรู้ว่าผลการกระทานั้นทำให้ลูกไม่สบายใจทั้งที่ใจของมารดาก็รักลูกมากเหลือเกินแบบนี้ผลของบาปและกรรม เกิดขึ้นยังไงเจ้าคะก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเราทำไม่ดีเขาก็ไม่สบายใจเขาทำไม่ดีเราก็ไม่สบายใจก็อย่าไปทำเลยมันก็ความไม่สบายใจอย่าใ้เกิดขึ้นมามันทำไปแล้วแต่ไม่ถือว่าเป็นเป็นบาปเป็นกรรมอ๋อมันก็เป็นแล้วแหละมันก็เป็นไปแล้วมันอาจจะต้องไปรับผลในอนาคตต่อไป ต่อไปข้างหน้าก็จะไปเจอคนที่เขาจะไม่เคารพเราทําอะไรไว้ก็จะได้รับผลนั้นตามมาที่พิดิใจเราดีจริตใจอมันหลอกนะมันคิดว่าดีนต่ถ้ามันดีจริงมันไม่ทําหรอกอืคิดว่าเป็นหมากับเป็นหมานี่มันคนละเรื่องกันหมามันก็คิดได้กูไม่ได้เป็นหมาหรอก <laughs> แต่มันก็เป็นหมาอยู่นะ กลาวรนมัสศการพระอาจารย์ครับในเมื่อถึงคราวที่เราต้องเสวยกรรมจนจิตใจนี้รับความทุกข์แสนสาหาัสแม้จะเป็นเรื่องอดีตผ่านมาแล้วแต่ว่าจิตใจก็ยังจอมจมอยู่กับความทุกข์นั้นเพราะคำสอนที่ว่าให้มีสติอยู่ในปัจจุบันะใช่ไม่ได้เลยได้ถ้าเรามีสติเราก็ตัดกรรมนั้นได้ตัดความทุกข์นั้นได้คือหยุดความทุกข์เกิดจากใจเราคิดไป เวลามีผลมากระทบกับจิตใจเราใจเราก็ทุกไปกับผลนั้นแต่ถ้าเราหยุดจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงผลนั้นได้ผลนั้นก็ไม่มากระทบกับจิตใจเรากระทบได้ก็เพียงแต่ร่างกายของเราเช่นมีคนมาทุบตีเรามาทำร้ายเรามันก็ทำได้แต่เพียงแต่ร่างกายแต่ถ้าเรามีสติทำใจให้นิ่งให้สงบได้ใจจะไม่ทุกข์กับการรับผลบาปทางร่างกาย สอนยากกาบเรียนถามท่านอาจารย์นะฮะที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าพ่อแม่จะได้รับแค่ส่วนบุญใช่ไหมฮะถ้าเราทำเนี่ยถ้าเราเศษบุญนะเศดบุญแล้วตอนี้ถ้าที่โยมได้ยินมาว่าถ้าเราปฏิบัติสมมติจนได้ทำเนี่ยจะช่วยพ่อแม่เราไมา่ตกนรกอันนี้มันยังไงคะท่านต้องตอนที่เป็นไงถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่แล้วเรามีดวงตาเห็นธรรมก็สอนให้ท่านเป็นพระโสดาบันได้ อนอกจากถ้าเรามีพลังจิตอย่างพระพุทธเจ้าก็ไปสอนในสวรรค์ได้เวลาพ่อแม่ตายไปไปอยู่สวรรค์แล้วเรามีพลังจิตติดต่อกับเทวดาติดต่อกับพ่อแม่ได้ก็สอนธรรมะให้ท่านบรรลุปเป็นพระโสดาบันไดต้องเป็นพระเจ้าหรือพระอรหันตส า, าวกเท่านั้นใช่ไหมคะก็ <S 2> <S 2> ะต้องเป็นพระสาวกที่มีพลังจิตด้วยคือติดต่อกับเทพไดพระอรหันต์บางรูปท่านก็ติดต่อกับเทพไม่ได กราบขอบพร ะ, ะคุณค่ะคำถามนี้ขออนุญาตถามถามคำถามที่เดียวหมดครับอาจารย์เคยขับรถอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตโดยไม่เจตนาคำถามคือข้อแรกจะได้รับกรรมอย่างไรข้อสองจะแก้กรรมอย่างไรข้อสามเคยบวช เคยบอกว่าจะบวชให้แต่ยังไม่ได้บวชไม่มีโอกาสผ่อนผันอยู่จะมีโทษอย่างไรครับอ๋อไม่มีกรรมหรกถ้าเราไม่ได้ทำด้วยเจตนาถือว่าเป็นอุบัติเหตุยังนั้นไม่มีผลอย่างไรนอกจากอาจจะเราอาจจะไปเจออุบัติเหตุเองบ้างก็ได้จากการกระทาเผ ล, ลอเล่ของผู้อื่นก็ได้แต่ไม่มีการจองเวรจองกรรมกันไม่มีการโกรธแค้นโกรธเคืองกัน ไม่จาเป็นจะต้องไปแก้กรรมแต่อย่างใดกรรมถ้าเป็นกรรมก็แก้ไม่ได้อยู่ดีทำกรรมบันไดไว้ก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นจะเป็นกรรมได้ต้องมีเจตนามีความตั้งใจคำถามจากคุณที่พากรคะ่ะเมื่อทำพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วทำอย่างไรต่อคะ ก็ทำจนไปนั่งเสร็จพอมีพุทธโธพุทธโธเวลาว่างแทนที่จะนั่งดูหนังฟังเพลงก็ไปนั่งพุทธโธพุทธโธต่อนั่งหลับตาถ้านั่งหลับตาได้เดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะสงบจะเบาลงได้ถ้ายังไม่นิ่งเต็มที่ก็จะเห็นจะเห็นความแตกต่างว่าเวลาพุทธโธแล้วใจเบาขึ้นสบายขึ้นเนีรับรับคำถามหน่อย คำถามคือตอนร่างกายอ่อนแอรู้สึกว่ากิเลสเข้ามาง่ายเช่นโกรธง่ายแต่ก็ยังรู้สึกตัวอยู่ถามว่าตอนร่างกายอ่อนแอเนี่ยต้องทําอย่างไรคะก็ต้องสร้างสติให้มากขึ้นแล้วหลีกเลี่ยงการไปพบปะกับคนให้ให้น้อยลงพยายามอยู่คนเดียวเพราะรู้ว่าเราหงุดหงิดนเพราะร่างกายเราเป็นเหตุทําให้จิตใจเราหงุดหงิด ถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับใครมันก็จะได้ไม่ต้องไปทำบาปทำกรรมกับใครถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องพยายามใช้สติคอยควบคุมใจควบคุมอารมณ์พยายามใช้พุทโธพุทโธคอยดูใจพอเริ่มแสดงอาการหงุดหงิดลำคาญขึ้นมาก็พุทโธพุทโธหยุดมันคำถามจากคุณต้นกล้าค่ะปฏิบัติทานศีลภาวนามาเรื่อย ทำให้มีความมั่นใจในภพภูมิที่จะไปไม่ห่วงกันแก่เจ็บตายเพราะเห็นว่าไม่มีใครไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ถูกไหมเจ้าคะถูกแล้ ว, ลวใจจะมีความมั่นคงจะไม่ทุกข์ไม่กังวลกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะจะรู้ว่าใจนี้มีที่พึ่งมีธรรมะมีบุญพาไปสู่สุขคติ ตาาาามออนจขขงงกรรปฏิิบัเคำถามจากคุณกุลาบค่ะการสวดมนต์ทุกวันคือการทําบุญหรือเปล่าเจ้าคะแล้วแผ่เมตตาอุทิศผลบุญให้กับบรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรจะได้รับบุญหรือไม่เจ้าคะคือการสวดมนต์ก็เป็นวิธีสร้างบุญอย่างหนึ่งคือสร้างสติสร้างสมาธิความสงบ เพียงแต่ว่ายังอาจจะไม่ได้ผลบุญผลบุญเต็มที่เพราะยังเป็นการเหมือนกับการปลูกต้นไม้อยู่บุญชนิดนี้ต้องใช้เวลามากกว่าการทำทานอย่างนั้นการสวดมนี้ยังอาจจะไม่มีผลบุญไปอุทิศให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าอยากจะอุทิศบุญก็ไปทำทานดีกว่าใส่บาทถวายสังฆทานบริจาคเงินให้โรงเรียนโรงพยาบาล เสร็จแล้วเราก็อุทิศบุญให้กับผู้ล่วงรับไปได้เลยส่วนการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันถ้าเรามีสติมีใจที่สงบใจเราก็จะมีความสุขเราก็จะแบ่งความสุขให้กับผู้อื่นได้แต่ถ้าเราใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขใจทุกข์เวลาเจอผู้อื่นก็อาจจะหน้าตาหงิกหน้าตางอก็ได้ การสวรมดมนต์นี้ก็ช่วยทำให้ใจเรามีความเมตตาปรากฏขึ้นมาแต่้าต้องแผ่ตอนที่เราพบกันไม่ใช่แผ่ตอนที่เราสวมดมนต์เสร็จอยู่คนเดียวตอนนั้นไม่มีใครมารอรับการแผ่เมตตาของเรา <c oughs> หมดแล้วเ <c oughs> หว <c oughs> โอเคหมดแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา